ได้พูดไปแล้วนะว่ามาวัดป่าสุกโตเนี่ยหลายอย่างที่เราทำเนี่ยนะมันจะไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตื่นการนอนนะการวางจิตวางใจแล้วก็ที่แตกต่างแล้วก็ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยก็คือนะที่นี่เวลากินอาหารเนี่ยเราจะ กินด้วยความสงบนะที่ที่เราคุ้นเคยคือว่าเวลากินอาหารแล้วก็คุยนะพูดคุยกับคนที่อยู่รอบข้างหรือบางทีก็เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ไปคุยแล้วแต่ทำโน่นทำนี่เช่นถ่ายรูปนะเอาอาหารนะที่เรากินเนี่ยนะโหลดขึ้นเฟซบุ o กนะแล้วก็แชทนะเขียนข้อความ นะอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะเป็นนิสัยหรือทำเป็นประจำแต่ที่นี่เนี่ยเวลาเรากินอาหารนะเราก็นั่งเป็นแถวแล้วก็มองไปทางเดียวกันคือหันหน้าไปทางพระพุทธรูปนะแล้วก็กินอาหารด้วยใจที่สงบนะถึงแม้ว่าใจอาจจะไม่สงบบ้างเพราะใจมันคิดโน่นคิดนี่นะแต่ว่า อย่างน้อยๆเราก็ไม่พูดไม่คุยกันนะการกินอาหารแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายหรือว่ากินด้วยกันนะเป็นร้อยนะแต่ว่าไม่มีเสียงดังนะไม่มีเสียงคุยนะอันนี้คือบรรยากาศนะของการกินอาหารนะที่วัดป่าสุกโตโตดยเฉพาะอาหารเช้า ไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมนะเราก็จะเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตายอยู่กับการกินก็ได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่การตั้งใจมากกว่านะเราก็กินด้วยความสํารวมนะไม่มู่มามแต่ไม่ใช่อาการภายนอกนะที่สํารวมใจเราก็สํารวมนะคือไม่ปล่อยใจลอยแต่ถึงแม้อย่างที่บอกนะแม้ใจเราอาจจะยังล่องลอยอยู่นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ รักษาอาการของกายและวาจาวไว้เพื่อช่วยทำให้ใจเนี่ยมันสงบไม่ฟุ้งซ่านรู้ตัวขณะที่กินอาหาราเริ่มต้นในการไม่พูดไม่คุยกันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แปลกนะเคยมีฝรั่งเนี่ยนะสนใจพุทธศาสนานะก็เพื่อนชวนไปวัดป่าแถวอีสาน นะเธอก็ไปก็ไปอยู่สักวันสองวันหรืออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยค้างด้วยซ้ำก็แค่ไปถวายอาหารเช้านะแล้วก็ดูบรรยากาศนะกลับไปกรุงเทพก็ไปคุยไปบอก mm hmm. เพื่อนๆว่าวัดเนี้ยนะสงสัยพระจะไม่ค่อยถูกกันผิดใจกันนะเพราะอะไรเพราะว่า ไม่คุยกันเลยนะเวลากินอาหารนะนะที่นี่ก็เหมือนกันนะเวลาฉันอาหารนี่ก็ไม่ได้พูดคุยกันนะอย่าไปเข้าใจว่าที่นี่พระนี่ทะเลาะกันนะจึงไม่คุยกันนะมันเป็นธรรมเนียมนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ธรรมเนียมเฉยๆนะมันเป็นความตั้งใจนะเพื่อที่จะได้ปฏิบัติด้วยนะคือเจริญสติขณะที่กินอาหาร การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมาที่วัดจะต้องมานั่งหลับตาหรือแม้แต่มายกมือสร้างจังหวะ เ, เดินจงกลมการปฏิบัติธรรมทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาทำได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถ ท, ที่ธรรมดาสา ม, มัญเนที่พื้นๆ น, น, นี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นกินข้าวอาบน้ำถูฟันนะ มันกลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทันทีเลยนะหรือกลายเป็นการภาวนาได้ทันทีถ้าเรานะทำอย่างมีสตินะภาวนานหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจอยู่ที่อาการของใจอยู่ที่การวางใจไม่ใช่อยู่ที่อากัปกิริยาภายนอกไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่งกายไม่ได้อยู่ที่สถานที่นะ บางคนเขจะปฏิบัติธรรมที่ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมต้องมีเบาะที่ซื้อมาเป็นพิเศษเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์นะสำหรับนักปฏิบัติธรรมขายอยู่ทั่วไปตั้งแต่เสื้อผ้านะกางเกงผ้านุ่งหรือว่าเบาะหรือว่าแก้วน้ำนะํำเดี๋ยวนี้ก็มีเต็นต์ปฏิบัติธรรมด้วยนะหลายคนก็ไปสนใจตรงนั้นแหละ ไปหาซื้อนะเพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือเพื่อยืนยันความเป็นนักปฏิบัติธรรมของตัวแต่พวกนี้ไม่สำคัญนะเท่ากับเรื่องของจิตใจเราวางใจอย่างไรเจขนขณะที่กินนะใจเราก็อยู่กับการกินแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นรู้เวลาใจเนี่ยมันก็เพื่อมก็เพื่มพอมเพราะชอบก็เพื่มพอมเพราะไม่ชอบก็เพื่อม หรือเพราะเคลิมคล้อยกับรสชาติอาหารหรือเพราะรังเกียจนะไม่ชอบรสชาติอาหารไอ้พวกนี้คืออาการของใจที่เราเพียงแต่รู้นะว่ามันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติเรียกเป็นการภาวนาแลนะ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกินที่ไหนนะหรือว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่บนรถนะ่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมย์นะจะนั่งคอยเพื่อน ที่ไหนก็ตามเราก็ภาวนาได้นะทุกการกระทำนะที่มันแสนจะสามัญเนี่ยมันจะกลายเป็นของดีของประเสริฐได้เมื่อเราเอาใจเนี่ยมาอยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่ามีสตินะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเราก็รู้เมื่อใจนะ ยินดียินร้ายชอบหรือชังนะไม่ใช่อยู่กับสิ่งนั้นจนลืมดูใจนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะทำงานอยู่กับงานจนกระทั่งลืมนะดูใจของตัวก็ไม่ถูกนะต้องรู้ตัวอยู่เสมอนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการภาวนาเป็นเรื่องง่ายเมื่อเรามีสเติ์อยู่กับการกินนั่นก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันล นะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือการที่ใจเนี่ยนะใส่ลงไปในสิ่งนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับลืมตัวนะก็ยังมารับรู้กายและใจนะในขณะที่ทําสิ่งนั้นด้วยนะเช่นกวาดกวาดใบไม้ก็ไม่ได้ดูแต่ใบไม้ที่กวาดไม่ใช่ดูแต่ทางนะที่เราเดินแต่เราก็เห็นกายที่มันเคลื่อนเห็นมือที่ขยับ แล้วก็รู้ใจนะที่คิดพุ่งปรุงแต่งเมื่อเผล อ, นะอนนี้แล้ ว, ว่าใจอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรามักได้ยินคาว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแ ต, แต่ว่าก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยนะการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็คือว่าไม่ว่าเราทำอะไรในขณะนั้นๆเนี่ยใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้น เต็มร้อยเลยนะไม่ใช่แบ่งไปคิดโน่นคิดนี่นะระหว่างที่กินนะนะบางทีก็รู้ว่ากินแต่บางทีใจก็กําลังคิดงานวางแผนนะกินไปด้วยวางแผนไปด้วยอันนี้เรียกว่าไม่ได้ทําด้วยใจเต็มร้อยนะเมื่อไม่ได้ทําด้วยใจเต็มร้อยเราจะเรียกว่าทําสิ่งนั้นดีที่สุดได้อย่างไรนะแม้แต่การกินอาหารเราก็ทำให้ดีที่สุดได้นะด้วยการมีสติ นะรับรู้นะทุกอย่างที่กินแต่ว่าก็ไม่หลงไปกับรสชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าเครื่คล้อยหรือว่าผักใสนะแล้วเพราะอย่างนั้นแหละก็ทําให้เราเนี่ยกินอย่างรู้จักประมาณรู้ว่าเมื่อไรควรพอนะเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยอ่ถ้าอาหารอร่อยนี่นะเราก็เคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวนะ บางทีกลายเป็นมูมมาไปหรือว่าไม่หยุดสักทีนะถ้าทั้งที่ท้องนี่มันอิ่มแล้วนะแต่ว่าใจมันอยากยังอยากจะกินอีกอันนี้ก็เรียกว่าหนะลงไปแล้วไม่รู้ตัวแล้วถ้าใจเต็มร้อยเนี่ยนะยูอาการกินมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะเราจะรู้ว่าแค่ไหนควรพอและไม่ใช่แค่รู้ว่าเท่าไหร่เท่านั้นเท่านั้นยังรู้ว่าควรจะกินอะไรด้วยไม่ใช่กินเพราะว่า มันสนองกิเลส ข, ของเรานะไม่ใช่เพราะมันเพราะว่าเราชอบนะทะนั้นที่มันเป็นโทษต่อร่างกายเพราะว่ากินมากไปเช่นพวกไขมันพวกเนื้อหรือบางทีก็เป็นพวกสีที่มีสารเคมีหรือบางทีก็มีผงชูรสเยอะๆนะมันชอบอะ่ะหรือน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลมีหวานนะร่างกายนะหรือวจิตใจมันชอบนะ ก็กินเข้าไปทั้งที่รู้ว่าร่างกายเรารับไม่ไหวแล้วนะอันนี้เรียกว่ากินตามนะอำนาจของกิเลสหรือกินตามความอยากกินโดยไม่รู้ตัวไม่ได้รู้สึกตัวนะใจไม่ได้เต็มร้อยอยู่กับสิ่งนั้นนะถ้าใจเต็มร้อยเนี่ยมันจะรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเมื่อใจไม่เต็มร้อยนะมันก็จะเปิดช่องให้กิเลสครอบงำนะสุดท้ายก็ การกระทําของเราก็กลายเป็นโทษต่อร่างกายและบางทีก็เป็นโทษกับจิตใจอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะกาปัจจุบันที่ดีที่สุดเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการทําทุกอย่างด้วยใจเต็มร้อยนะไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆไม่ใช่ทํำหลายอย่างพร้อมกันนะทำอะไรก็ตามนะใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยทำอย่างเดียวพอนะเหมือนกับเวลาเรากินข้าวเรากินข้าวทีละคำ เวลาทำอะไรก็ทำทีละอย่างนะถ้าทำทีละอย่างนะั่นแหละใจมันจึงจะเต็มร้อยนะไม่ใช่ทำหลายอย่างพร้อมกันใจมันก็เลยแบ่งซีกนะแบ่งเป็นอ่าเป็นเสียงเสียงเป็นซีกๆนะเพราะต้องทำหลายอย่างพร้อมกันอันนี้เรียกว่าไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะเพราะนั้นทำความเข้าใจให้ดีนะเวลาเราพูดว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยนะเราเข้าใจความหมายจริงหรือเปล่านะแล้วก็เรา ซีเรียสหรือเ ร, เราจริงจังกับมันแค่ไหนนะถ้าเราจริงจังกับมันเนี่ยแม้แต่การกินอาหารแม้แต่การล้างหน้าแม้แต่การถูฟันใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้นนะรู้ข้างนอกรู้ว่ากําลังเกี่ยวข้องกับอะไรกําลังกินอาหารกําลังตักอาหารใส่ปากหรือว่ากําลังบีบยาสีฟันนะใสล่ลงบนแปรงอันนี้รู้นอกขณเดียวกันก็รู้ในก็คือรู้ใจนะ ใจมันเผลอไปก็รู้นะแล้วก็วางแล้วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะแม้ว่าเราทำอะไรก็จะทำได้ดีนะไม่ใช่นะทำไปแบบไม่รู้ตัวแล้วก็ทำผิดผิดพลาดพลาดนะหรือว่าทำจนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีไปเอาแล้วก็เตรียมรับพรนะ อิจิตังปฏิตังตุมหังค่อยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชาโตจงสาเรลจโดยฉาพรสาสับเพปูเรนตุสังกปาอ้ อ, อความดำหรีทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันในวันเพงมานิโชติรโสยทาเหมือนแก้มณียนสว่างสวยควรยินดี กาพิทยวิวันนุปานจารายทั้งป่วงจงบำราไปสะพโรโควินาสาตุโรคทั้งป่วงของท่านจงหายมาเตภววตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิทีขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิลิสันิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโรโธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภลังสามสี่ป่ากาญคืออายุวันณาสุขภาพลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่อนนอมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวตุสามังคลังกศาภังมงคลจงมีแก่ท่าน ราขันตุสาเทวตาอร่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาภูธานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาพาสังขานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเต ขอขวาสอดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านนูเมื่อเธอ